ในโลกใครเป็นผู้สมประสงค์ผู้อยู่ในโลกไม่มีใครสมประสงค์เลยผู้ออกนอกโลกโลกคืออะไรบ้างสังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือหมูสัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่ชาตกามาไดจระกชั้น พร้มมาโลกแรกกัรูปภพมี6กชั้นและรูปภพสี่ชั้นโลกทั้งหลายเหล่านี้ใครเป็นผู้สมประสงค์ไม่มีใครเป็นผู้สมประสงค์เลยเหตุนั้นพระหันทั้งหลายท่านจึงเบื่อความหลงของตนไปซักข้ามทะเลหลงของตนอยู่ในที่นี้ถ้าข้ามก็ข้ามที่นี้จะไปข้ามข้างนอกขาฉี่ตายข้ามด้วยเครื่องบินก็ข้ามไม่ได้ ข้ามทะเลหลงด้วยความไม่หลงไม่หลงมาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายไม่หลงหนังหู่อยู่โดยรอบไม่หลงตาหูจมูกเลี้ยงกายใจว่าเป็นตนตัวเราเขาสัตว์บุคคลสิงที่มีวิญญาณครองสิงห์และไม่มีวิญญาณคลองสิงห์ในใจโลกธาตุรวมลงมาเป็นโลกทั้งพวงโลกทั้งพวงรวมลงมาเป็นสองรูประโลกอรูปประโล ก, ร, ปป ร, โลกรูปประโลกคืออะไร คือถ้าเดนําไฟลมเรียกลูก ป, ประโลอลูก ป, ประโลภคืออะไรคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความนึกคิดเกิดขึ้นแล้วกาแฟพวงนี่แตกหลายไปเช่นคําพูดแต่ละวัดระบาตรก็ล่วงไปล่วงไปล่วงไปล่วงไปเนื้อขึ้นมาแล้วก็ล่วงไปพูดออกมาแล้วก็ล่วงไปล่วงไปคือสังขารอันละเอียดก็คือกองทุกข์อันละเอียดเหมือนกันนความลูก หาความสุขในโลกไ ม, ไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะเหตุนั้นพระอหันท่านจึงข้ามทะเลหลงของตนไปซักเมื่อพระมหาสติพระมหาปัญญาเหนือสิ่งเหล่านี้ไปแล้วความโง่จะมาลวงสติปัญญาก็ไม่ได้ควาบอก่ปกะเตสจะเจอคล้ายๆกับพระอาทิตย์ สว่างมาแล้วความมืดก็แตกกระเจิงไปชั้นใดก็ดีปัญญายังแหลมคมกว่วานี้ไปอีกเห็นอั น, นิจจังคณะกิดหนึ่งเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเขาโลกใจไปด้วยอ น, นิจจังไม่ข้าวบดคืนเลยสองทรุภูเขาอีกด้วยภูเขาก็แตกกระเจิงไปเรียกว่าสองทรลุภูเขาแผ่นดินแผ่นน้ําแผ่นไฟแผ่นลมก็แตกกระเจิงไปเรียกว่าทะุ สองทริกหมดปัญญายักปฏิสุทธิ์สติบุคคลจะปฏิสุทธิ์ในชั้นไหนไหนก็พระปัญญาปัญญาโลกัมิปัจโชโตแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสัมมาปัญญาปัญญายานชนะมิจฉาปัญญาความที่เกียบท่านนั้นจะชนะ ความโง่เท่านั้นอความขี้ข้านเท่านั้นความขี้เกียจเท่านั้นจะชนะความขยันความขยันเท่านั้นจะชนะความขี้เกียจความความฉลาดเท่านั้นจะชนะความโง่ในชั้นไหนๆก็เหมือนกันเบ่งออกเป็นสองความฉลาดในทางโลกีความฉลาดในทางโลกุตระฉลาดในทางโลกี เป็นฉล า, าดวนฉล า, าดเวียนอยู่ในวัฏจักศาสาเช่นฉล า, าดทำเครื่องบินหรืออะไรต่ออะไรรถ ล, ลาเป็นต้นตลอดถึงลูกระเบิดนิวเคลียร์ลูกระเบิดปานามาโนอันนั้นฉล า, าดเวียนสนองเวียนไยสนองไปชนะฉล า, าดในทางพระพุทธศาสนาฉลาดทางออกจากเวียนจากไปเช่นพระโสดาวันฉล า, าดในทางม่ลวกอบายมุก เมื่อล่วงละเมิดศิทธิ์าไม่จองเวรท่านผู้ใดไม่คบเว็ดชั่วจะไม่ให้กระเทือนเขาไม่ค่าขายเครื่องประหารไม่ค่าขายมนุษย์ไม่ค่าขายสัตว์เป็นอะไรเนี่ยสัตว์เที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารไม่ค่าขายล้ำเมาไม่ค่าขายยาพิษฉลาดไม่ใช่ได้ไม่ใช่ได้อยากจะจองเวรท่านผู้ใดด้วย ไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกรบพันด้วยไม่เสียดายอยากจะถือเักดียามดีด้วยสิ่งไหนไม่เสียดายเราละเมิดสิ่งนั้นก็ไม่หนักใจก็ข้ามทะเลหลงตนตนไปสักเมื่อถึงพระชดามันแล้วสักทาคามีอนาคามีอรหรันต์ระบาลไปในตัวเพราะเป็นดอกมัวพ้นน้าแล้วไม่ใช่ดอกบัวอยู่ใต้น้า ดลกบัวสีเราก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาด้วยครั้งพุทธกาลก็มีครั้งนี้ก็มีเหมือนกันนี่เรียกว่าฉลาดในทางโลกุตระฉลาดในทางโลกีพระบรมศาสตน า, ศาไม่ทรงสรรเสริญเลยทำไมจึงมีผู้ถือพระพุทธศาสนาน้อยนักพระบารมียังอ่อนอยู่ทำไมจึงมีปริญญาน้อยนัก พระยังเรียนกอสระอากาหอสตระอาขาอยู่คำสอ น, นใดๆในไตรโรกธาตเป็นเมืองขึ้นคำสอนพระพุทธศาสนาหมดใครจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหาเสี้ยวทิศจะมีกี่ล้านล้านก็ชี้ไปในทางทิศเหนือโดยมีรู้ตัวชั้นใดไม่มีกางวันกลางคืนอีกเช่ด้วย คำสอนใดๆก็เป็นกางขึ้นคําสอนพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้ได้ไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อได้ไหมเชื่อและก็เป็นจริงอยู่ ไ, ม, ไม่มีกลางวันกลางคืนเลยทำอันนี้เป็นของชาวนักปราดจะรู้ทั้งนั้นเข็มเป็นหน้าที่ของผู้ตาดีจะสนได้ไม่เป็นหน้าที่ของผู้ตาฟางจะสนได้ เมื่อไรอ่แกสอนดอกไม้เป็นหน้าที่ของแมลงผู้มแมลงพึ่งจะชมได้จะหามาได้ไม่เป็นหน้าที่ของแมลงวันจะไปหาเลยเพราะมันนอนไม่ฝัน เ, เทียบเนทางลึกซึ้งทีเพื่อให้คำหนึ่งในหลายทางน้ำให้หนอคองมืองบางต่างๆไหลลงสู่มหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวจันใด คำสอนใดๆใก็ไร้ลงสู่คำสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้ทำไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อทะไม่เชื่อและทิศเหนือก็ไม่ยืนยันว่าเขมทิศเป็นบ่าวไพร่เป็นเมืองขึ้นของเราเชื่อมาทางเราไม่มีทางวันกลาคืนเขมทิศก็ไม่ได้บนพิไรําทันว่าเราเป็นเมืองขึ้น ของทิศเหนือชี้ไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวแต่ความจริงในชั้นนี้ก็ไม่หนีจากความจริงในชั้นนี้ตามธรรมชาติาของความจริงเรียกว่าอริยสัจธรรมหรืออริยสัจจริงนำ้ำหนักน้องความองด อ, องัต่างๆก็ไม่ได้บน่นวิรยัยรำเกิดพันว่าเราเป็นเมืองขึ้นของมหาสมุทรทะเลไหลลงไปอยู่ไม่มีกลางวานันกลางคืนเสียเปรียบมาก ฝ่าทะเลก็ไม่ตาลีตะลานว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเมืองขึ้นของเราไหลลงมาหาเราอยู่ไม่มีการวันอลางคืนทิศเหนือก็เหมือนกันก็ไม่ตาลีตรานว่าเข้มขิดเป็นเมืองขึ้นของเราแต่ความจริงไม่นี้จากความจริงก็เป็นจริงอยู่ไม่มีการวันอลางคืนไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้หรือไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อหรือไม่เชื่อลึกไหมพระพุทธศาสนาไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้หรือไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อหรือไม่เชื่อเป็นจริงอยู่เหรือผู้รู้ผู้ไม่รู้ไปอีกเสียแล้ว แม้จะรู้ก็ไม่เป็นจริงเหนือไปอีกแม้จะไม่รู้ก็ไม่เป็นจริงเหนือไปอีกจริงอยู่อย่างนั้นไม่มีกลางวันกับคืนบาปก็ดีบุญก็ดีเป็นจริงอยู่บาปก็ไม่ร้องเรียกว่าร้องเอ่ยให้คนไปสร้างตนเองบุญก็ไม่รอ้รองเรียกให้คนไปหาตวเองเหมือนน้ำใส น, น้ำนี่ข้าพเจ้าเป็นน้ำใสมากขอท่านทั้งหลายจงมาดื่มซักเย็นเยือกดีน้ำก็ไม่ร้องเรียกทีนี้ ข้าพเจ้าเป็นน้ำขุนเป็นตมโคเอย๋ยกระเบือเอย๋ยถ้ายุงกัดเธอมากเธอจงมานอนกี่งเกือกเราเพื่อกันยุงซะน้ําเป็นตุ่มก็มาพูดนั่นนั่ น, น, นฉันใด็ดีข้าพเจ้าเป็นพระนิพพานทำฝ่ายไม่เกิดฝ่ายไม่เกิดไม่รับท่านทั้งหลายเมื่อมาปฏิบัติให้ถึงข้าพเจ้าท่านทั้งหลายจะมาเกิดแก่เก็บตายอยู่นี่ละ่ะ พรเนรพานก็ไม่ไร่องเรียกอยู่เป็นจริงอยู่ไม่มีคำว่าเงื่นนั่น น, นทีนี้สังขารข้าพเจ้าเป็นสังขารเต็มโรกยัดเยียบท่านทั้งหลายมาหลงข้าพเจ้าอยู่อย่างนี้ท่านทั้งหลายจะมาเกิดแก่เก็บตายอยู่อย่างนี้สังขารก็ไม่ได้ว่าเออ น, นีนั่นนั่นแต่ไอ้กิเลสเป็นนายหน้ามันก็ใช่หันว่าหันกำลังหันอย <laughs> นู่ขึ้นขี่ขึ้นขี่คิดขี่ใจ อ, อยู่นี่นั่นนั่นนนั่น สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่เราจะรู้ท้งนั้นนกเขานกกระทาเขาเอาไปเลี้ยงไว้มันกินอิ่มมันก็ไม่นอนใจเวียนตรงอยู่เสมอเพราะได้ช่องกับเป็นปรื้มนี้เลยไม่คืนมาเมื่อเหมือนหมูหมูออกจากโคกแลว้วเขาเอาอาหาร ออย่างนี้มันก็ามากินเอิแต่เวลาเขาจะฆ่ามันก็ร้องอิอ่ดอด อ, อนั่นเขารักหมูเขาก็รักไว้เพื่อจะฆ่าใช่ไหมกิเล่มันรักเรามันก็รักไว้เพื่อจะทําลายใช่ไหมนะยกจะยืย่นํานับมันบอกทําไมเราจึงอาบน้าเพราะร่างกายมันสกปรเนี่ยมันมึนแขนมึนขาแลเนี่ย แค่ข่าวมันมึดเลยทำไมเราจึงอาบนะ้าเพราะร่างกายมันจสโครกทำไมเราจึงปฏิบัติศีลธรรมเพราะจิตใจมันจสโครกปฏิเสธไม่ได้ทำไมจึงมีหนทางปฏิบัติเพื่อพนทุกข์ในวัฏจักสงสารเพราะเกิดแก่เก็บตาย โ, กโกรคปวดหลงมันเป็นทุกข์จริงเหตุนั้นจึงมีหนทางปฏิบัติ เพื่อคนทุกข์ในวัฏจัรสงสารเราจะปฏิเสธไม่ได้ความดีคนดีทำได้ง่ายความดีคนชัว่วทำได้ยากความชัว่วคนชัว่วทำได้ง่ายความดีคนชัว่วทำได้ยากก็อันเดียวกันมดูดโคดมะแรงวันกินง่ายแต่มะแรงผู้มะแรงพึ่งมันไม่ฝันเลย แมลงวันมันก็บอกว่าประชาธิปไตยของข้าแมลงผู้แมลงผู้มันก็บอกว่าประชาธิปไตยของข้าเหมือนกันข้าบินเปลืไปคราวเดียวก็เอามาเลยนี่ข้าบินเปลืไปไม่ได้บินสูงเหมือนพวกเธอพวกเธอเป็คนชี้โง่บินสูงเราไม่ลงกําลังเหมือนพวกเธอมันก็ว่าเหมือนกันแมลงวันเพราะมันอยู่ในระดับน้า มันถูกไหมมันก็ถูกกับานะของมันเมล่างพุ่ง ม, มันเมล่างผุ่งเมล่างพึ่งมันถูกไหมมันก็ถูกกับานะของมันอีกนั่นคนเรามีอภินิหารหมดมีปาฏิหาริย์ทางนั้นเมล่างวันก็มีปาฏิหาริย์ทางกินพูดพูดเมล่างผู้่งเมล่างพึ่งก็มีปาฏิหาริย์ทางกินเกสรดอกไม้พวกเราก็มีปาฏิหาริย์ทางโรคปวดหลง อ้าทหารก็มีปาฏิหารทางไม่รบไม่โกรธไม่หลงนั่นนั่นนั่นถูกไม้มเป็นของทิพย์เราไปหลุมหลมหลุมฐานเพลิงก็เป็นของทิพย์ผู้ที่เขาไม่ไปก็เป็นของทิพย์เขาก็ไม่ร้อนใช่ไหมนั่นนั่นนั่นทําไมจึงมีผู้ทําผิดพระพุทธศาสนามากเอ้า ถ้าไม่มีผู้ทำผิดด้วยผู้ทัศนะชาสนาก็ไม่เต็มผู้ทำถูกก็เป็นไปเป็นพยานพระสมาธเพุทธเจ้าผู้ทำผิดก็ไปเป็นพยานพระสมานเพุทธเจ้ากินทั้งทางผิดและทางถูกนั่นแหละเราบอกแล้วอย่าไปทำทางนั้นอ่ะมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละเราบอกแล้วทำอย่างนั้นมันดีนั่นผู้ทำผิดก็ไปเป็นพยานพระสมานเพุทธเจ้าผู้ทำถูกก็เป็นพยานพระสมาธเพุทธเจ้าทุกคนไม่เสียแรงไม่เสียนั่น นีนนนนนนนน่ผู้ทําลายพระพุทธศาสนาได้หรือไม่มีผู้กําฝุน่นโตลมได้หรือไม่มีผู้พูดทําลายขึ้นฟ้าได้หรือไม่มีผู้คว่างปลาค้อนใส่ต้นเสาได้ไหมคว้างไกลมันไม่ทันคว้างใกล้มันนักเงยเอกลบไม่ทันได้ไหมห <c oughs> นึ่นขงข้าพุทธกาล ก็มีทำพูดทำลายพระพุทธศาสนาเหมือนกันตกลองก็ลงนารกยังไม่ขึ้นเดี๋ยวนี้สุปพุทธะเป็นใครสุปพุทธะก็เป็นพ่อตาของพระบรมศาจนาเพราะบนา่นว่าพระสมณะโพลมทิ้งนามพิมพาแล้วไปบวชเราโกรธให้มันมากเราจะฆ่ามันจะฆ่าลูกเขยส่วนสุปพุทธะส่วน พระเทวทัตก็จะฆ่าพรบรมศาสราเป็นศาสราแทนแปลว่าลุงพี่ชายของนาวพิมพาจะฆ่าพบรมศาสราแทนเพื่อจะเป็นศาสราแทนไปขอพระบรมศาสราค่ะค่ะเขาว่านอกเขยเอ๋ยนอกเขยเอ๋ยให้พี่เป็นผู้ปกครองสงฆว่าอย่างนั้นพูดง่ายๆเออ คุณพี่จะมาเป็นยบพบผู้ปกครองสงอย่างไงคุณพี่ไม่ได้ปาถนาเป็นพระสมมาเจ้พุทธเจ้าคุณพี่สร้างบา ร, รมีอันอื่นนอกสร้างบา ร, รมีปาถนาเพื่อเป็นพระสมมาเจ้พุทธเจ้าคุณพี่จะมาแย่งตำแหน่งไปปกครองโลกไปปกครองสงอย่างไงได้เพราะคุณพี่ก็มีกิเลสเต็มพุงอยู่เดียวนี่ยังเป็นพุทธชนคนหนาอยู่โดอดแค่พอเรามาศาสน า, าก็ขึ้นไปภูเขาคิดจะกูดก็กลิ้ง ก้อนหินลงมามันกทะทลุกันลงมาเป็นฟงฟูงเลยผูเขาคิดจะกูดมันระทะเอาก้อนนั้นว่าประทะเอาก้อนนี้ว่ า, ะะ า, ก, าก็ลงมาหาพระบรมาสาราพระบรมศาสดาก็พิจารณาก็ไปว่าแต่เท่านี้เราจะหาโอบายให้ก้อนหินนี่ขึ้นไปชนหัวพระเทวทัตเดี๋ยวนี้ก็ได้แต่เราไม่ทำเรารู้แล้วเราจะเอื้อมตีนเอื้อมเท้า ไปให้มันทับเท่าเราสักหน่อยพอให้ได้ใจมันถ้ามาอย่างนั้นมันจะหัวแตกเก็บเสียงเพราะเรามาศาสศรัยก็เอื้อมเท่าไปก้นเห็นก็เลยตกลงมาถูกถูกไฟเท่าข้าพระองค์ห้อเหตุเช่นจึงบัญญัติว่าโลหิตุบะ ท, ทําลายพระพุทธเจ้าจึงถึงอย่างเป็ลโเห็ดแห้งหอเป็นสั ง, งัปเป็นบาปอ น, นันตเดยกรรมห่านะนะจะภาษาอะไรทุกวันนี่ ข้างพุทธการไปจันบานกันท ะ, ะกันมากกว่าทุกวันนี้ทุกวันนี้อย่าไปภาษาเลยข้างข้างพุทธการกับพระสุทินไปล่วงละเมิดธรญญาตนเองเพราะยังไม่ตั้งสิกขาบทมันดีสำหรับเธอมันไม่ดีมันมันมันไม่ดีสำหรับนักปราบเธอไปล่วงละเมิดธรญญากเก่าของเธอ มันก็ดีสำหรับเธอมันไม่ดีสำหรับรักปาราต์โม้าบุรุษโมฆะบุรุษทำมันใดที่เรากล่าวเพื่อให้ระราคโทสาโมหะเธอกลับเอาไปบวกเข้าโมฆะบุรุษโมฆะบุรุษทำไมจึงดา่าเอาเรากินกล้วแล้วทำไมปลอกเปื่อกมันทิ้งแล้วกลัวแทมันหรือเพราะมันไม่ดีอันนั้นก็เหมือนกันใช่ไหม <laughs> เนี่มิตรดีสหายดีตอนไหนดีก็ส่งเสริมตอนไหนช่วงก็ขีดกันพ่อดีแม่ดีก็เหมือนกันครูดีอาจารย์ดีก็เหมือนกันตอนไหนดีก็ส่งเสริมตอนไหนช่วงก็ขีดกันถ้าขีดกันไม่ไหวด้วยความสุภาพแล้วก็ไปอาศัยอยู่ที่ธรรมอุเบกขาตามกรรมของสัตว์หนอ เตุฉะนั้นจึงมีทั้งเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะอเมตตาก็เมตตาเล้วยกรุณาก็กรุณาแล้วยโมทิตาตอนไหนทําถูกก็อนุโลมก็อนุโมทนาเ น, นี่ยตอนไหนทําผิดห้ามไม่ไว้ก็อุเบกขาไม่หากินทางอุเบกขาหนาเดียวเลยพระพุทธศาสนาะคอย ห, ห้ามปรามและนํา้อความสอนที่ก่อนถ้ามไม่ไว้จึงอุเบกขา แต่ศาสนาพระปฏิอุเบกขาเลยราช่างคีรีช่างพรามถึงอย่างนั้นก็ยังเป็นที่สองของพมบรมศาสต า, า, าอยู่พระอรหันต์สีชจำพวกสัมมาสัมพุทธอรหันต์พระเจ้าอรหันต์สาวกอรหันต์สาวิกาอารหันต์พระอรหันต์สีชจำพวกอีกสุขายุปัชโคเทวิทโชฉลปินโยกที่สัมวิทับปตัตโตเอา้าดอกบัวสีเหลา ในข้างพุทธกา ร, รมีข้างนี้ก็มีอยู่ดอกบานก็บานเต็มภูมิดอกตูมก็ตูมเต็มภูมิดอกเสมอนาม้าก็เสมอนม้ำเต็มภูมิดอกบานก็บานเต็มภูมิคือยังไงคือท่านผู้พ้นไปแล้วดอกตูมก็ตูมเต็มภูมิก็คือพระอนาคามีกำลังกับพยายามพ้นทุกอยู่ดอกตูมลงมากว่านั่นคือพระจักรตาคามีดอกที่พ้นน้าแล้ว พอประมาณหนึ่งเซนสองเซนสามเซนก็คือพระโสดาบันต่ำกว่านั้นลงมาหรือเสมอน้าก็พูดถือผีบ้างก็พูดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บ้างเล่นเรียกเล่นผาบ้างสารพัดบ้างเออเพราะมีอะไรบ้างก็เป็นเรื อ, อ, อแกววนอยู่วนไปหาดีวนไปหาช่ววนเวียนอยู่ไม่มีทางออกถ้าถึงพระโสดาบันแล้วก็ ออกทะลุเลยเดินตรงเลยไม่แวะซ้ายและขวาและไม่ถอยหลังเลยจะเข้าสู่พระ涅槃พี่ไม่มีจะผู้ไม่ถือบาบไม่มีจะผู้ไม่ทำํำผัวเมียไม่มีจะผู้ยอมเป็นโสดจทะทำหรือว่าผมันแล้วเมียว่าสัมมีก็สร้างมันแต่แม่เข้ามาถือมันมันก็บพระมหาอนเะคือพีนอ่น่องล่ะจิกล้าิสิทธป็นได้ก็สร้างได้ไหมเข้าบาไปหาแมาวแล้วเชื่อมันก็ไตลกันด้วย อันนี้เังครับฝันเ อ, อิรมันม่าหายตัวไม่มจัว่าตัวในโลกเขามีมีมวดตัวนียวในโลกคือผู้คายจำภาษาตัวรบหลวงพุทมหาเจ็ปภาษาเพื่นน่หลวงพูทมหาบวัวข้าโยกับหลวงพุทธมานจำย้ำกันสี่ภาษาเพื่อน่กะกควบคุ่มือนเป็นเมื่อขวข้าอยู่ห้เนี่ยเอากอยโยนสามภษาเป็นเจ็ด ขาวใช่เนี่ยเฮ้ยถ้าจะจัดมหาเสีขน้อยบ่เสียอันนึงม า, ามาเสียยังไงครันนี้ขก้บอกว่าหลวพ่เสียภาพนะฮะเสียยังไงวันนี้วันหนึ่งบอกว่า่ท่ อ, อง้ามแตกดังปุ๊ท่ อ, อ ง, ออง้ามรู้ดังตราหรือว่าท่านกินร้ายอะไรท่นขาน้อยขึ้นว่ากับกินร้ายกับนี้จะขี่กบผ้ากท่านแล้วสีบแต่ปุ๊ปปุ๊ปตราบุมเมีนเนี่ยว่าท่น ชั่งหนักคนามานะท่ฏีหลายปเป็นโบเซี่สั่งในโลกนั้นมันกับมีนี่สุ น, นีอ่อนจอสั่แล้ว่าผลของกมของซัตย์สั่งขันท่าน่าเืียว่าทภาพอแตกดางปุพอมทัารู้ ด, ดังตามท่านกับ่บเืีออั่งก็เทวาธาตุแผ่นดินสูบคือกันที่สั่ของเอาจกเสียบขุดเอาท่านกษตว่าสั่งที่สั่งเป็นวา่าแผ่นดินถิมาสูบมงายลงมันมีบอว่า กเพนเรียนชูกุ่งกับมิเอะวะสัมชุพระพุชามพระเทศวัฒน์ปุ่งนะสัมทัดกับพัชยาขึ้นกันแล้วข้องคุดฝังเอาวะสั่เรียกย่อมเพริ่นย่อมเพริ่นย่อมเพริ่นนี่ก็ได้เฮ้ยแมน่นเขาหน่อยว่าอย่างน้เาน่อยมันเป็นว่าว่าสั่นเนี่ยตัวกระดาษคือหน้าผเส ง, งว่าั่นเนี่อคั้นี้ไปเชวล่าว่ายไปทกรุงเทพไปทับหลวงอุเทศหลัง ถวายพระเพิ่งหลวงปู่มันเลวลงไปผุ่นแล้วลงไปผู้เกียพระง่าวท่านอาจารย์มหาปีนคนนครปฐมชวนล่าล่าล่าล่าผมจะไปพาไปไหวพระที่เกาะแก้วนี่อยู่ในกลางทะเลนี่เป็นเกาะอยู่ร้อยพระบาทพระองค์เราไปนี่ประมาณสองชั่วโมงก็ถึง หรือหนึ่งชั่วโมงกว่าๆก็กคงจะถึงเขาขับขี่เรือแกวไปมันอยู่ใกล้ฟังแนะ่ใกล้ฟังมาเสนนอไปเกือบชั่วโมงก็กลัวหมดไปไปนะ่น ท, ที่ไหนถ้าอาจารมาหารอยพะบาทนี่นี่อี่มันก็เป็นห้ อ, อยจอทร์ซามเมอร์เนี่ยแล้วีห้อยอย่างเป็นมองๆกันสิโอ้นี่หรือรอยพระบาทแล้วผู้อะไถ้าว่าร้อยพระบาทอย่างนี้เป็นร้อยพะบาท อยู่ทางภาคอีสานอยู่ตามภูตามเขาจะประกาศทุกคนทุกแห่งมันก็นหัวล้านตายแล้วแบบนี้ไม่อดไม่อยากเลยครับพวกอย่างนี้ทีนี้แกกับรรมาดาเธอเธอนะีมันมันโง่จริงจริงเธอมันโง่จริงจริงเขาเห็นมเมฆไหลมาเขาว่าพระบระมศ า, ศ า, ศาสตร์ดากำลังหาะมา เขานึกอย่างนี้เขาไหว้มันก็ได้บุญสิไอ้เธอมันมันคนโง่จริงจรงเออยอมแล้วถ้านอาจารมาหาแล้เขาพูดแบบนี้เพป่นเขาพูดจริงของเพลินอยู่เขาเห็นเมฆลอยมาเขาก็สมมติว่าพระบรมศาจารยห่อมาเขาก็กราบเขาก็ไหว้มันก็ได้บุญไอเธอมันโง่จริงจริง <laughs> ว <laughs> ัดตัวชนะเพลินกับมู่มีพรนสนะโตเลย ท่านร่าท่านราท่านสมัยนั้นอายุสี่สิบท่านร่าท่านร่าท่านท่านอาจารย์ไหมผมไปคคกกรอยไปพูกภูเก็ต เ, เขาเอารถแห่ผมไปตั้งเกตคันแปดคั น, คนตัววะก็ผมมาอรรยาจารย์วอกท่านอาจารย์มหาเพื่อนเป็นพี่ห้องสามสี่ปีจต่เพื่อนเป็นมหาหาประโยชน์ที่ประโยชน์ พันรัดพันสาไล้ก็ห่อหาพันสาต่หาอายุหน่อยก็ห่าชีพันสาเนี่ยเ้ยไม่ไม่ไ ม, ไม่กับผมไม่อาชญากรเขาจะเอาคนไปตัดคอเขาก็แห่เหมือนกันทนายจันมหาอาเนี้แล้วพูดถาโอบายสอนมันมันมาสอนเราเสียเลยถ้าเป็นสมณะตกหน้ามันเหรอเนี่ว้าว เ, าเลยทีนี้ฉันก็เห็นเขาปรถามหาเนี่ย ท่านล่าไปไหนหนอเอมันพูดกับท่านล่ามันหนุกดี่คนนครปฐมพคนบาว่าสนุกเละมันหนุกดีเหมยันยืนคนนครปฐมอแต่ว่าเป็นคนสันโดมากหน่อยเดี๋ยวนี้พ้นไปแล้วใคเที่มาเกงวันพระพุทธเจ้ามันมาเกงเดือดในโลกเนี่ยเข้าหละขึ้นจากหัวตัวขันพูดได้รบเลือมใช้พระพุทธเจ้าเข้าหูวจักหอดผู้เกียจฉวน ผูได้บ๊อบใช้พระพุทธศาสนาฮังเร า, าบตร๊ต้องเลยยแต่ไม่โย่ระดับใด น, นอคุณภาพอานกคอนะฮั่งไม่ได้เฮ็ดดีๆได้ฮั่งคุยจักโหลดเขาบ๊อบใช้ในพุทธศาสนาฮาั่งคยจักโหลดว่าเขาอย่ระดับใดวันฮบ่ยปัญหาว่าลบากด้วยเพราะบารมีเพิ่งยังอ่อนดูสันยึเแค่จังไดยังตัวทเไปคมเหงื่อนตาบอดมาสวนเข็มัวก็เป็นพี่บ้ากันตัวะนา ตัวที่ไปไล่แมงวันออกมาจากล้มมุดล้มพูดตัวว่งับปากไว้ว่านบินบินเข่าปากมันไวาจั่นไห้เจ้าของไม่ระนะู่าหอคบเนี่เป็นจริงแค่วมีแมงมนมคืนใครมีกีกก้เดือดขับไปยึดไปถือเป็นทุกข์อีกสองสัน่นแล้วมีขี้เดือดขับไปยึดไปถือเกิดเป็นทุกข์สั่นเดียวตามธรรมชาติ์นิพพัทธิทุกข์ทุกเนืองนิดอทุกข์เป็นเจ้าเรือน เนืวอข้าวระหายน้ำวัตถุรชราปัสสาวะเปลี่ยนอิเดยาบทไม่เสมอความเก็บเกิดเกิดขึ้นจากเปลี่ยนอิเดียบทไม่เสมอความเก็บเกิดขึ้นจากวิบากของกรรมความเก็บเกิดขึ้นจากฤดูแปรปรวนสีตังถูกความเย็นเกินไปก็เจ็บมากอุ้นหังถึงรอดมากก็ทนทุกข์ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจในชื่อว่าทุกข์เพราะเป็นของทนได้ยากตัณหาความทะยานอยากได้ชื่อว่าสมุทัยเพราะเป็นเหตุแห่งทุกเกิดชาธรชนะชานะติชนะตัณหาก็ชนะทุกข์ในทางใจทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีตาหูจมูกเลี่ยนกายใจเพราะยังไม่เหมือ่อไม่นาย ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในปวดเพาะในธรรมารมสัตว์ทั้งหลายก็จึงมีใจพระชอบนึกชอบคิดยังไม่เบื่อไม่น่ายถึงจะนึกคิดสักเพียงใดก็จงนึกคิดไปทางดีเถิดร่างกายกินอาหารเป็นวัดเวลาส่วนคิดใจกินอาหารไปเป็นเวลาเลยก็ให้นึกไปทางดีแล้วก็พอใ้ได้บุญเจ้าควรจ อันไร้อันพระองค์เก่าว่าสอนวันโมมี่ได้เดียวเนี่ยเออธรรมะหาายองชีวิตพระพุทธเจ้าก็สอนสมาอาชีโอเรื่องชีวิตชอบซะเล่นจากา I G o. เรื่องชีวิ ต, วตในทางที่ผิดเรื่องชีวิ ต, ใ น, นวตในทางที่ผิดคืออะไรบ้างเล่นเล่เล่นผาเล่นหวัดเล่นมือเรียกว่าเรื่องชีวิตในทางที่ผิดถ้าเว่นแล้วก็เป็นมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติ ด, ด้วยถ้าไม่เว่นก็ตรงกันข้ามแน่เลยพระพุทธเจ้าพรบอกมันไม่บอกงูเห่ายิ่ไปสําคัญมาตัวจลาดข้อพุทธเจ้าว่าที่ใดวะเราทศกัณฐได้เจอได้เจอในภพด้ปะมาหลายชาติหลายพบแล้วมาด้มาศีสองขย้ยสนมาหากลับแล้วสิ่งไหนที่ควรหรือไม่ควรรู้แล้วได้เจอแล้ว ได้ประสบการณ์มาแล้วบุตธเจ้าสัต ส, สังขัพพยชาติ น, นงังเกวระปริปุ น, นงังมริสุทธังพระมังจริยามประกาศเสสิประกาศบริสุทิ์บริบุณในในใตโลกธาตุใครเป็นผู้สอนโลกใครเป็นผู้สอนคำเดียวกันตรงกันเพียงเลยไม่ได้รบเล่าพรบอกัน ก็มีแต่พระนรพระสมาพระพุทธเจ้าเท่านั้นเหลือนอกนั้นอย่าเอามาเอ่ยเลยพระสมัยพระพุทธเจ้ามุ่งสอนใครก็มุ่งสอนโลกใครหรือไม่มุ่งเป็นศาสตราของท่านเพื่อใดมุ่งเป็นศาสตราของชาวโลกทุกทุนหน้าจึงสร้างบา ร, รมีมาสีอสงไขยแสนมห า, หากับปัญญาที่กะ สัทธาทิกะแปอสงไขยวิิยาทิกะสิบกอสงไขยแต่เป็นคำสอนอันเดียวกันไม่ได้ลบล้างพรบกันเลยผพชกันแต่ปัญญาทิกะวิิยาทิกะสัทธาทิกะวิิยาทิกะเท่านั้นปัญญาทิกะเก่งทางปัญญาสัทธาทิกะเก่งทางสัทธาวิิยาทิกะเก่งทางความเพียร แต่ก็มีความหมายอันเดียวกันแต่ก็มีปัญญาเป็นนาย ห, หน้าที่เรียกว่าไตรเสียขาศีลสมาธิปัญญามีปัญญาเป็นนหน้าทุกหมวดทุกตอนมีความประสงค์ยังไงทีนี่นี่นนนอภารม้าถบายเพื่อนพระสมาพระพุทธเจ้าทุ ก, ทกระกงค์มีจิตจำนงอันเดียวกัน มีความปรารถนาอยู่สามประเภทเมื่อเป็นพระสมานะพุทธเจ้าแล้วก็ทําตามที่ปรารถนาไว้ไม่เว็ดเพรียวพุท ธ, ธะจาริยาทรงประพฤติเพื่อเป็นพระสมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระสมานะพุทธเจ้าแล้วญาติจาริยาก็สงเคระาะห์ญาติ โลตัตทะจริยาก็สงเคราะห์โลกมีสามประเภทแต่ชาวโลกจะยอมตัวเป็นโลกศิษย์โลกหาหรือไม่นั้นมันก็เป็นเรื่องของชาวโลกแต่ท่านก็มาได้เสียใจถึงแม้จะมาแต่ละยุกระยุกได้เพียงเขาโคท่านก็เอาเหลือดังนั้นขนโคมอบไว้ให้พระพุทธเจ้าองค์หน้าอยู่ในตัว องค์อนาคตอยู่ในตัวเพียงเขาโคมีมากไหมก็นับเป็นกดโกดนับเป็นลนล้านเ ห, หนือ้าวนั่นก็นับไม่ไวอีกเหมือนกันคำสอนใดๆเป็นเมืองขึ้นคำสอนพระพุทธศาสนาทั้งนั้นทิศเหนือและเสียงทิศ เชีงยงทิศจะมีจีนล้านก็ชื่อไปในนางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวไม่มีกลางวันกลางคืนด้วยคําสอนดใดๆก็เป็นกลางึ้นคําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้นะไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชือเ่อนะไม่เชื่อเป็นจริงอยู่ไม่ไม่มีกลางวันกลางคืนเลยเรียกว่าอริยสัจจะทำหรือเรียกว่าอริยสัจจะกินจริงหรือเรียกว่าอริยสัจจะคุณ เป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่เป็นปัญหาใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นปัญหาท่านก็ไม่ได้ขมเหงท่านก็ไม่ให้จ้างให้มาเชื่อด้วยถ้าจ้างให้มาเชื่อเมื่อเมื่อตังมันก็ขบดคืนสอนให้เห็นเองสอนให้เลื่อมใสเองเกลือเค็มขนาดไหนเออเราจะกิบแทนก็มาได้ขอให้พวกท่านกีบ คิดดูเองเถิดให้มีอิสระเองเถิดเมื่อพวกท่านไม่มีอิสระเดี๋ยวพวกท่านก็ขบคืนเหมือนกันเราจะไม่ข่มเหงเลยให้มีอิสระใครจะเชื่อเรื่องไม่เชื่อไม่เป็นปัญหาเลยทัานพูดอย่างนั้นพระบรมศาสีราเชื่อมในทางลึกซึ่งเพื่อให้คำนึงหลายๆทางนัให้หน้องครองเมืงบางต่งตางๆ ไหลลงสู่มหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดๆก็ไหลลงสู่คําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่ก็พูดรู้ได้ไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่ก็พูดเชื่อได้ไหมเชื่อและก็เป็นจริงอยู่ไม่มกางวลกลางคืนเลยสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่จะควรพิจารณาทั้งนั้นมิฉะนั้นแลว้วจะครบไม่แตก เมื่อขบไม่แตกมันก็กลืนไม่ได้ใช่ไหมั้กลมเหี้ยให้การกลืนก็กลืนไม่ได้เพราะเห็นได้เพราะมันคบไม่แตกถ้าทบแตกแล้วเชี่ยวละเอียดแล้วจึงจะกลืนได้ใช่ไหมนักทำไมจึงมีผู้ถือพุทธศาสนาหน่อยนะักเพราะบรารมียังอ่อนอยู่ก็จาเป็นจำไปทำไมจึงมีปริญญาน้อยนะัก ก็พระกําลังเรียนขอสระอาคาขอสระอาขาอยู่ก็อันเดียวกันนะชาติเทวมนุษย์ชาหนังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสัตว์างสาวพยัญชนังเกวราปริควนังปริทุทางพมัญยางประกาศเสียสิบริบูรณ์ทั้งอัตตะทั้งพยัญชนะแล้วไม่มีที่แซงเลยตามหาภควันต่างอภิปุญญามตตามหาภควันต่างชี้ลักษณมาามิตามหังธรรมังก็เหมือนกัน ตัมหังสังขารก็เหมือนกันแม่เด็กกาบไหว้โดย ง, งงๆพุทธทัศหัตสมิธาโสสมิธาศีวะยอมเป็นข้าเป็นทาสอย่างไม่กระด้างกระเดีองเลยยังกินเสียรัตนังโลเกวิติวิธาโมทุรัตนังพุทธะสว่างนักที่ตัตชมาสวที่ภาวันตูเตรัตนะอันใดในโลกนี้จะสมว่าเหมือน พ, อ พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นไม่มีเลย ผู้ใได้ถึงประพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตามเท่าข้าสูวพระเจาพาผู้นั้นละโลกนี้แล้วไปบรนเทิงในสวรรค์ไม่มนุษย์ก็สวรรค์มีคติเป็นสองสวรรค์ก็เป็นสวรรค์ชั้นสูงอีกเสียด้วยมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ชั้นสูงอีกเสียด้วยถ้าไมอย่างนั้นแล้วก็ตรงกันข้ามเราไม่พูดเข้าข้างตัวถ้าทำให้มีอยก่อน เราก็ไม่สามารถรู้ทําได้ทํามีโยก่อนเราจึงสามารถรู้ทําได้เหตุนั้นเราจึงเคารพทำพระบรมศาสนาธรรมของพระพุทธศาสนาวินัยของพุทธศาสนาเป็นโลกุตระไม่ใช่โลกีที่เอาโลกีมาปนเปนกันก็เพราะเอาลูกเขยกระพ่อตามานั่งเตียงเดียวกันก็คล้ายๆกับ เอาแม็พันประกาศไปเทียบกับภูเขาหิมาอะไรทาไมจึงไม่จึงไม่อ้างนโมทําไมจึงไม่อ้างบาลบ้างอ้างไม่อ้างมันก็มีอยู่แล้วบาลีกายบาลีวาจาวารีบาลีใจนโมนอบนอบกายนอบนอมวาจาน้อบนอมใจพระสูตรก็สูตรของกายวาจาใจพระปรมัตทก็มัดเข้าที่กายวาจใจ ปฏิบัติก็ปฏิบัติเข้าที่กายวายกายใจปฏิเวทก็ผลของการปฏิบัติคือกายวายกายใ จ, ใจสิ่งไหนพระบรมศาสด า, า, าไม่สอนอะไรเลยด้านความเห็นก็สอนคือสมาริติให้เห็นชอบเห็นว่ามีบุญมีบาปมีมบักผลนพีานด้านสมาวายาก็าสอนด้านดําริ นัมมิเก็สอนดัมนิในทางให้ภาวยาบาดดัมนิในทา ง, าาาทงให้เบียดเบียนด้านทําการงานก็สอนทําการงานชอบเว้นจากไกายทุจริตสามสัมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบเว้นจากเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดสัมมาวายามะเพียรชอบเพียรในที่ฉีสถ า, านยศลงมาเป็นสองเพียรละชั่วทําดี ด้านสมาติและลึกชอบคือลึกในสิ่งที่ดีด้านสมาธิตั้งใจไว้ชอบคือตั้งใจไว้ในสิ่งที่ดีอย่าไปตั้งใจไว้ในสิ่งที่ชั่วเลยนั่นด้านในระหว่างพ่อกับลกูกพ่อแม่พระบรมศาสน า, า, าก็อสอนหนึ่งห้ามกระทาความชั่วสงให้ตั้งอยู่ในความดี สามอนุคราะ์ด้วยนําใจอันงามหนึ่งให้เป็นการทำความเชื่อท้องถิ่นอยู่ในความดีสามให้ศึกษาเศีลปาวิทยาสี่หาภริยาและสามีที่สมควรให้ห้ามอบทรัพย์ภายในสมัยนะสําหรับลูกเป็นหน้าที่จะตอบแทนพ่อแม่หนึ่งท่า น, นเรียงมาแล้วเรียงท่านตอบสองทำจิตธรรมของท่านสามดำรงวงศ์ตระกูลสี่ประพฤติตนให้เป็นคนควรรับทรัพย์หมรดก ก็ห้าเมื่อท่านหลวงรับไปแล้วตําบนดที่ได้ท่านนั่งนันันนน่สิ่งไหนพระพุทธเจ้า ว, ว่าสอนมันไม่ชัดแนวแม้งว่าไงกินถึงทั้งกินกินมูดขวดก็ค่อยใจถึงทั้งกินยาใจถึงทั้งส้นกันพวกกินเหล้าใจถึงทั้งกินเหล้าพวกเว่นใจถึงทั้งเว่นพวกเรียนเลขเรียนภาษาใจถึงทั้ง เรียนเรียกเรียนพาพวกเว้นเขาเกะเว้นใจถงทั้งเร่นเรีกเรีนพาใจเถึงทั้งคิบหายแม่บ่อยากทุกใครเรียนเรีเยกไร้อยากคิบหายให้เรียนเรียกบ่อยๆเรียนเท่าเรียกเล่า น, น่อยแต่ิหายคือกันแมน่บ่งนะ